กันวันคืนล่วงไปล่วงไปผ่านมาใกล้เข้าวันษาแล้วตามพุทธบัญญัติมีความหมายทุกๆวันมีความหมายทุกๆเดือนมีความหมายทุกๆนาทีทุกวินาทีชีวิตเราต้องพัฒนา น อ, อกจากเราแล้วยังมีอันอด่นดีที่เราจะต้องช่วยกันถ้าตามปกติตามธรรมใ้ในแล้วผู้ที่อยู่ในวาดเมื่อก่อนใกล้เข้าวันสาก็ต้องเตรียมเสนาจนะที่วัสัยเพื่อตอนรับประสงค์ทูเทียกไปมาขอให้มา ตามาแล้วมีที่อยู่ว่าใชอยู่เป็นสุขก็วัดที่มี ว, วัยวัจกรมีชาวบ้านมีทายกที่เป็นผู้ประถับควารงเขาก็มาเตรียมเสนะเจนะตายาตานถนนทางตัดจริงก้านลานจริงต้นไม้ที่มันทันท่าจะล่มจะปกหลังคา ติศสาราทำคอนเสิร์ตดังนั้ก็ต้องเอารถแทศบาลมาตัดเจิงง่ายขนไปทิ้งถ้าอยู่ในเมืองนี่เราก็คาดว่าจะมีเพื่อนจะทํามิกหมู่พายสงหรือว่าเจ้าโจม จะมาอยู่ด้วยกันหลายชีวิตก็ที่อยู่อาศัยนั้นคงจะยังไม่สมบูรณ์แบบเราก็ทำอยู่เรื่อยๆไม่หยุดไม่หย่อนเีนี้จันทุ่มก็ทำมาตั้งแต่จันทุ่มมาอยู่นี่ทำมาตลอดทั้งงานทั้งไปทั้งที่อยู่อาศัย ก็มีคติสองหลักที่ควรจะบำรุงช่อมให้มันดีสติดินอยู่กดองค์1สาหลังหนึ่งถ้าไปชาบ ป, ปูนดีๆลาดฟุตบาตด ด, ดีห้องน้ำก็ใส่ประตูใส่อะไรดีดจะพอเพื่อนเราอาศัยอยู่ได้คติดินหลังนี้หลัง ใกล้ๆครับกบติคุณภาสาเนี่ยก็ก็่ อ, อวิเวกดีหลังเดี๋ยวนี้กติดินสองหลังเนี่ยปริวิเวกที่สุดเลยไม่มีใครรู้ก็ซ่อมจกหน่อยเพื่อให้พอที่จะอาศัยอยู่ได้ตามอัตรภาพของเรา นอกจากเราอยู่กับตัวเราแล้วเราก็อยู่กับเพื่อนกับมิตรอยู่กับธรรมวินัยมีศีลสามัญเล็กชนะเสมอกันสุขด้วยกันทุกข์ด้วยกันนอกจากอยู่กับธรรมวินัยแล้วก็ยอยู่กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมพื้นดินน้ำอากาศ วายป่าไมา้สัตว์สาราสิ่งแล้วก็มีจิตใจ่วางขวางรู้อยู่ที่ไหนก็เพียรพยายามที่จะทำให้มันไม่สูญเสียเเพราะเราที่อยู่ของเราเลยมีที่สูงมีที่ต่ำอ้ามไหล สมั้ก่อนนี่ไม่เห็นน้ำไหลนะฝนตกขนาดทั้งวันนี่ยไม่ค่อยเห็นน้ำไหลเพราะถนนทางไม่มีแล้วก็แต่น้ำในห้วยเนี่ยจะขึ้นเองไม่เห็นน้ำไหลมันจะขึ้นแดงขึ้นแดงขึ้นแด ง, งมันซึมลงไปมันดูดลงไปต้นไม้ไม่มากน้ำในห้วยก็ขึ้นตึ ง, ต ง, ตงขึ้นตึงขึ้นแต่ไหลไหลในห้วย แต่น้ำหนป่าตามถนนทางไม่มีที่ไหลต่อมาแล้วก็มีกติหัวใจหลังแปดหลังแน่อยู่หัวใจก็เอาอ่มเอาปูนเดาหินขึ้นไปทำแท้งน้ำก็มีทางรถขึ้นได้แล้วก็ทำลายเพื่อให้มันไหลระยะยาว เวลามันไหลก็แบ่งเฉลี่ยให้มันไหลออกนอ่นอนั่นี้แล้วก็มีทางเดินขึ้นไปก็เป็นโศกรวมแล้วก็พยายามเฉลีย่ยยิ่งให้มันไหลยาวๆเลยมันเจนโศกมันไม่น่าดูก็เขาเฉลียล่ยออกไปเฉลี่ยออกไปไหลบ้างเฉลียล่ยออกไปเฉลี่ยออกไปไม่อยากเห็นน้ำไหลยาว ถ้าตรงไหนที่มีน้ำไหลยาวๆก็ช่วยกันจะนอนให้ธรรมชาติมันยังอยู่การขุดการอะไรก็เราพยายามที่จะอยู่ป่าตามเวียกของป่าสวนแห่งชาติแน่แต่รอยจอบปลอยเสียมที่เราขุดก็ก็ระวังที่สุดเลย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 พอที่ช่วยกันได้พอที่ความสะดวกกันได้แต่พอเขตกติผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงเนี่ยที่อยู่อาศัยเยี่งดีกว่าดีกว่าที่อยู่ของพระสงฆ์วาสศกเพราะศรัทธาผู้หญิงมีมากสร้างคติที่หลังเป็นสันแสนกริีพระเนี่ยไม่มีนะขี่น้อย มีคนจ้างผู้หญิงนี่โอ้ยเยอะเลยแล้วก็มาสร้างอยู่สบายติดตงรวจให้ด้วยเขาทำแม้แต่ ว, วันนี้เราก็ได้กินได้อยู่ได้กินเพราะพวกผู้หญิงทำอาหารให้พวกเราดูแลวพวกเราวันนี้เคเจียวลูกพระเลือขีน้น้อยขี้คนดูดคนหมูพระ มาขอเงินค่าน้ำมันก็คิดว่าหลวงพ่อบอกมาถามหลวงพ่อหลวงพ่อก็ด่าวโง่แล้วยังมาให้ถามหลวงพ่อทำไมเอาให้เขาไปอย่าคิดว่าวเจงทำบุญท้าเหมนไม่ใช่ทำบุญทำบุญต้องมีประโยชน์เนี่ยคนแบบนี้มันสนับสนุนไปได้เป็นเสียเป็นบาปผู้ที่ให้ แม่แต่ของอะไรกติเราอะไรที่มีค่ายาสมรู้ร่วมใจกับโจรผู้ร้ายอาฬิกาของที่มีค่าทิ้งไม่ไม่ดูแลโทรศัพท์เวลาเขาขึ้นไปเขาเห็นไนงะเขาไม่นึกว่าจะขโมยหรอกแต่เห็นแล้วมันมีค่าก็ เ, าเอาไปที่แรกไม่ตั้งใจแต่ว่าพอเห็นแล้วไม่มีใครดูใครอยู่เขาก็หยิบไป ต่อไปเราก็ในติดใสที่ฉลักที่ขโมยเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้ น, น, นเราก็มีส่วนที่จะไปสนับสนุนให้เกิดขโมยเกิดจนขึ้นมาได้ดูแลให้มันดีๆสิ่งของเครื่องใช้ไม่สอยอย่าให้เลอะเลือนเลือนให้เป็นระเบียบทั้งกายเราทั้งใจเราทั้งวาจารเราทั้งสิ่งของ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 ทำท่ามันลอยๆก็ยกมือรู้ไปด้วยฟังไปด้วยก็ดีถ้าไม่กำหนดตัวใดก็ฟังจุดสังละปฏิปัญญาผู้ฟังด้วยดีย่อบได้ปัญญาก็มีบ้างการพูดการสอนกันแนวะพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงทำนี้แหละ การแสดงทำในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินก็ได้ยินเมื่อได้ยินแล้วจริงไม่เคยเข้าใจก็เข้าใจวันเท่าความสงสัยจะได้จิตของผู้ฟังย่องป่องใสาอา น, นิสงส์การฟังธรรมมีเหมือนกันทาความเห็นให้ถูกต้องเนี่ยอา น, นิสงส์ห้าประการการฟังธรรม หลวงพ่อก็ชอบฟังหลวงพ่อเถียนพูดสมัยก่อนโอ้ยฟังบางทีหลวงพ่อเถียนพูดเราไม่รู้เอาไว้ก่อนอย่าไปต้องคิดสิ่งที่เราไม่รู้จักไม่ต้องไปคิดเราเฉพาะร่วมที่เราทาเรารู้เช่นหลวงพ่อสอนเรื่องสติยกมือเคลื่อนไหวแล้วก็รู้อยู่เนี่ยหลวงพ่อเถียนสอนรือรูปนาม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 เนี่ยมันก็ดูให้มันเห็นรูปเห็นน้ำนี่แต่เราไม่ได้คิดนะเราหลวงพ่อเทียนค่ะกับสอนให้เราคิดฮั่นก็เราก็ไปคิดตามที่หลวงพ่อเทียนสอนมันก็บางทีปวดหัวเลยไม่ต้องคิดเนเออหลวงพ่อบอกเราเราก็ไปทําให้มันรู้ให้มันเห็นครับไม่หาคําตอบจากความคิดหาคําตอบจากการกระทํา เขาก็ดูไปรูปไปเห็นไปเขาก็เข้าใจรูปนามเมื่อเข้าใจรูปนามเมื่อหลวงพ่อเทียนพูดเรื่องรูปรนามล้วก็มีเครื่องลับของเราจะแสดงเลบางทีมันมันแตกแขนหน้าจะพูดตอนนั้นหลวงพ่อเทียนได้พูดตอนน้นอีกมันก็แตกแขนเลยเห็นรูปทำเห็นนามทำเห็นรูป มันทุกเห็นนาำมันทุกเห็นลูกมันเป็นโลกเห็นน้ำเป็นโลกโลกของลูกโลกของน้ำเห็นสมมุติของลูกเห็นสมมุติของน้ำที่มันบัญญตัติตขึ้นในชีวิตจิตใจของเราที่บัญญัติเต็มว่าถูกสิ่งของนอกตัวเราความรับความจังเป็นสมมุติบัญญัติเราเองมันก็แตกฉานไปแตกฉานไปกระทบไปเถือนไปความโลภความโกรธความหลง ผูกกระทบกระเทือนอยา่างรุนแลยตั้งไม่ติดเลยเมื่อกเราตัดเถาวงให้มา น, นั่นหลวงพ่อตัดเถาที่ต้นส้มโอส้มโอลูกแต่ก่อนดีดีนะเดี๋ยนี่พอเถาไหมาขึ้นคุมมันอาจจะสองปีแล้วคุมหมดต้นส้มโอก็ไม่ ไม่มีเนื้อเลยแกนมีลกูกใช่ไหมชี้หน่อยเออหลวงพ่อไปดูไปดูันเถาไหมา้มันขึ้นไม่กุ่มอะก็ตัดซะแป๊บเดี๋ยวมีเล็กๆมีแต่อะไร บ, บางน้อยๆ เ, เราพ่อถือถือเสร็จตะกร้าไปไปปาดเอาอย่างที่พันพันต้นน้ำม่วงเขาตอ น, นะร ะ, ละปลูกเรมปาดออก ดมบอกถ้าไม่ปาดต้นนี้มันจะตนะายน่ปาดออกถ้ามาเห็นเราเมีดแ น, น้นอนปาดเขาขนาดนี้ปาดช็อนิดเดียวไม่ีดเดี๋วไปนี่ไปดูใชมันร่วงหมดแล้วตายไปไม่ต้องไปปิดใบมันทีละใบละใบการที่จะไปห้ามความโกรธความโลภความหลงหน่ะไม่ต้องไปห้ามไม่ต้องกดมันมีตัวเนี้ย ตัวลูตัวหลงเนี่ยมันเห็นรูเห็นนามเนี่เข้าไปก็ทุกข์กระเทอนเลยความโลภควกม่ความหลงจนล่วงเกินล่วงพ้นภาวะเก่าได้จริงๆปฏิบัติรรมเลยไม่ต้องไปหาเหตุหาผลไม่มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ใ ด, ดที่จะไปลื้อมาถอนความทุกข์ทั้งหลายทั้งหลายทั้งปวงนะ ที่มันเกิดกับรูปกบนามไหนะมีแต่การปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมก็มีแต่การเจริญสติพวกเรามั่นใจมากนะขอให้ไห้เนื่อเชื่อใจในคำสนที่นี่ก็มีอาจารย์ใหญ่ยาจรวเทพซะดูแลพระสงฆ์ดีมากทีเดียวเลยแต่ดูแลไม่คีเนี่ยก็พากันไปสิ เชิญไงไปหาอาจารย์บัวเทพป่าไผ่เบริวัตเชิญไงไปท่านตั้งนาตั้งตางสอนสําหรับหลวงพ่อไม่รวยไอ้ดอกตอนเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ที่เป็นวัตถุสิ่งของอะไรต่างๆสบายสายมันไม่ต้องรับผิดเจ้าบอะไรบวมวันก็มาทำวัดบวมวันก็ไม่มามีของอ้าง ก็เหนื่อยจริงนะช่นน้อยกนเหนื่อยมาเจ้าเลยไม่เลยแขนแขนเลยตื่นสายเมื่อกูเจ้ามันปลูกป่าปลูกต้นไม้ตาแตกวันนี้ก็ปลูกมันมีอยู่อีกไม่กี่ต้นก็จะหมดแล้วไม่ผลดิฉันทุท่มซื้อมาแล้วก็จัดให้มันอยู่ ไม่เคยปลูกไม่ผลมาหลายปีแล้วเพราะว่าปลูกไม่ผลมันมีปัญหาเราก็ไม่ค่อยได้กินมีแต่ชาวบานว่ า, าไป่กินหมดอก็เลยขี้เกียจปลูกเอ้าวันพ่อป่วยเข้ามาเนี่ยคนหมูเอมามะม่วงมาให้ฉันเอามันฉันได้เลยฉันอืดเนื้อไยฉันข้าวกรบมะม่วงกินง่ายนะคนป่วยคนแก่เนี่ยมันมีน้ําลายช่วงที่ป่วยหนักๆเนี่ยน้ําลายไม่มีะ ฉันเข้าวมาม่วงเอ๋อมันก็ล่อลงได้ล่อคำข้าวลงคอให้ไม่น้ํำลายก็เลยผัวม่วงใหญ่เลยปีนี่ต่อไปเราไม่กอดแต่มันมีลูกนะนะนันก็ไม่มีเนี่ยมะม่วงอยู่ที่วัดเราเยอะแยะเล ย, เ ย, เลยแต่ก่อนก็มะม่วงขึ้นประสาทหลวงพ่อมากที่สุดเลยปูกันใหญ่เลยวัดผูวก็ทองหนึ่ยี่สิบไร่ปูกปะม่วงหมดเลยต้นละเจ็ดสิบบาทก็ซื้อต้นละร้อยก็ซื้อ ถ้าไปดูตลาดแขงต้นมากเลยหาดูต้นม่วงเขาขึ้นไปต้นนี้ร้อยบาทมีลูกด้วยเฮ้ยชอบมากซื้อมาปูกไม่มีลูกเั้ลูกเลยแต่ปีนี้มาปลูกอีกอาจารย์ตุ่มซื้อมานะเป็นแถวรอบกูจัดเลยจัดเต็กเข้าไปปลูกแล้วถวัดเข้าไปปลูกออแข่งกันดูนะ ปีห้ารอยห้าสิบใครจะเก่งกว่ากันน ะ, ะเหลื อ, เ, ลอเดี๋ยวนี้ก็เหลืออยู่ต้นกระท้อนต้นจมพู่ต้นมะกอกน้ำไม่กี่ต้นก็หมดแล้วพต้นไม้พวกนี้หมดแล้วพอก็หยุดตวนรอนที่เราจะต้องรีบทำตอนนี้คือ แปลงปลูกป่าปีสอง0นรอยห้าสิบเนีจะมีกลุ่มบริษัทเลมอนฟาร์มเขาจะมาปลูกเนาะมาทอดปลาป่าพวกนี้คุณกรุงเทพที่มีคุณภาพสูงมาเป็นคนที่สายงานของอาจารย์ทุ่งเนะเนาะฮะพวกเราก็พอที่จะอาศัยได้ยบางอย่างเขาช่วยเราแต่ว่า เราจะทำให้ดีๆหน่อยแปลงแปลงปลูกตอายญศายสร์ขุดหลุมใส่ปุ๋ยด้วยนะเพราะว่าตรงนั้นอ่ะเราปลูกเทไม่ขึ้นเลยเบ่อดิน ม, มันเสื่อมสมัยหนึ่งเนี่ยเราก็ไม่มีที่อื่นใดไฟไม่ป่าโล้นไปเลยหลวงพ่อก็เลยให้ชาวบ้านเข้ามาทำให้คนเล่าหาไร่สิบไร่ แล้วก็ให้เขาปลูกม่วงให้พอปลูกให้สัญญากัน9ปีถ้า10ปีไปได้านะเอา9ปีปก็มีสัญญายี่แยะตามนี่ตามนี้เขาบอกเขาว่าให้ปลูกมะม่วงให้พอถึง9ปีแล้วยกมะม่วงให้วัดห้ามปลูกปันสำหลังให้ปลูกมะม่วงปลูกข้าวโอมาเชื่อเรารญญโอ้บันสำหรังกันโอย ดินมันเสื่อมหมดเลยลเราไปปลูกไม่ขึ้นเลยมุมแต่เนี้ยอ่าพาอ า, าจารย์ตุ่มไปดูจ้างคนงานให้เขามาดูมันไม่ขึ้นเลยแต่ปีนี่ไปเจาะกรถินเทพาใส่ปุ๋ยเจ้หน่อยขอให้ปลูกคนลาต้นสองต้นนะอดูสิเอาต้นไม้เป็นลูกสาวลูกชายด้วยนะแต่ไม่ก็เป็นจริงๆงนะต้นไม้เนี่ยมันมี มันเป็นอาณจักรเหมือนกันน่ะรุ่นปู่รุ่นย่ารุนตารุ่นยายตุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นป้ารุ่นลุงรุ่นลูกรุ่นหลานป้าใส่กันเลยต้นใหญ่ก็มันปู่ของต้นไม้เลยเวเ่ยาใส่กันทำไมแล้ก็อยู่ในร่มต้นไม้ใหญ่ขึ้นไปขึ้นไปการรักษาป่าธรรมชาตินี่อายอายผู้คหลง่อนึกว่าตัวเอง พอราะพอไปเห็นภูเขอเห็นสวนสุขภาพทะเลภูของโยมที่นั่นอาให้เขาเลยหลวงพ่อเขาก็มีทางเหมือนกันขึ้นเขาเหมือ น, นแต่ว่าเขาเชี่ยวชาไม่มันไหลกระยุยกระจ่ายยาวๆโอ้ดีมากนะที่นั้นการรักษาธรรมชาติดีที่สุดเลย ามาพักที่บัาเราคิดได้เขาอยู่เราเนคุยโวเฉยๆเรารักษาป่าเราอยู่ป่ายิงไม่ค่อยไมค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าพื้นที่มันต่างกันของเขามันมีหญ้าคาไม่ป่าพงมันมีกอไม่ใหญ่ร่มบทมันก็ไม่มีหญ้าคามันเป็นป่าตั้งแต่ ตั้งแต่มังเลยไปไปถึงอเพชรบูรณ์ขึ้นไปทางเหนือไปโ น, น่นมังลาโน่นไม่มียาคาป่าพงแต่เขารู้เนี่ยมียาคาป่าพงเขารู้เนี่ยก็ไปทางอำเภออะไรไปทางเทพสถิตไปทางเนี้ยเพชรบูรณ์ไปทางเนีฝั่งทางเนี้ยมีป่าพงมีป่ายาคามีป่าขอมินิท แต่ไปทางโน้นไม่มีอันเขาก็รักษาป่าได้เป็นร้อยเป็นพันเออเราไปดูยันทุ่งไปเราไปดูโอ้ยมันก็รักษาได้แหละมันมีป่าพงไม่มียาคามันมีหนอมันรัดจริงขึ้นมาไฟไหม้ก็ไม่ไหม้หมเหมือนบ้านเรานี่โอ้ยสู้คนหมดเงินหมดทองกันเยอะแยะไปเลย อันนี้เราก็อพอที่จะอยู่กันได้อันนี้นั่งรถอ้อมดูป่ากับจันทุงเห็นต้นคูนอีกสี่ห้าปีต้นคูนแต่ยิ้มตอนรับเราเห็นต้นไม่ยิ้มไหมไม่ีนหนอยมันออกดอ ก, ดอกสวยงามตอนรับเราเราเดินไปตามนสองข้างทางมีต้นคูน ดอกดอกเหลืองมันฟ้อนก็เป็นนะต้นไม้เต้นลำเป็นเสียงฝ้าเป็นดนตรีใช่ไหมฝ <c oughs> ้าล่องขึ้นลำขึ้นเร็วลมเป็นเป็นอะไรนางลำเลยพัดมาต้นไม้ก็แจงแขนล่วมไปเข้าไปาาก็มาสนุกดีเหมือนกันนะถ้ามีต้นไม้รู้เวลาฝนตกหลงพัดมาเลยต้นไมมัน แจงแขงไปเกาะกันเล่นคืนบางกันมันสนุกดีไม่แห้งแดงไม่เหมือนกับเราอยู่ตรงแจ ง, งเห็นแด่ น, น้้าเต้นลำพมาดูว่าเราโอ้ยทนไม่ก็เต้นลำเหมือนกันน่ะนะเคยน้าเต้นลำไหมหหนะเคยไหมว <c oughs> ันพ่อเคยน้ำเต้นลาไปสันทมสิงคโปร์ ฟังไงเล่าไหมไม่เล่าก็ไดเนาะเล่านะ <c oughs> น้มามันเต้นลำแล้วเล่าก็ไปขี่ก็เจ้าข้ามเเดียไปเป็นเกาะหนึ่งเขาพาไปพอไปเล่ามีเวทีมีเวทีมีเวทีสำหรับเต้นลำอยู่ต่ำกว่าเราเวทีเรานั่ง พวกโยมมันเนี่ยมันไม่เข้าใจพระหรือเปล่ามันจะพาเรามา ด, ดูตนดูวงรดนตรีอะไรเนาะเนี่ยเราก็นั่งอยู่ก็ถามจานชานเป็นพระพลังเขาจะมาพาเรามานั่งนี่ทําไมเนี่ยจะพามาดูรดนตรีเขาเต้นรำเขาล่องเพลงเนะ่ะไม่ใช่เป็นอะไรนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันดูดูก่อนไม่จะเป็นอะไร พอถึงเวลาคนก็มาม า, มานั่งพวกก็นั่งกับเสอนชานกับโยมที่พาไปถึงเวลาเ็เปิดเครื่องขยายตู้เพลงบางใหญ่เลยเติมหอมเตมงกันพอเปิดตู้เพลงก็มีไฟสีแสงต่างๆก็ปล่อยรามขึ้นน่ะเป็นเส้นเท่านิ้วมือเท่านิ้วค่อยเต้นขึ้นเต้นขึ้ น, นเอ็นไปเอ็นมาล่องล้อมไปมา บางทีเกาะขันกันก็เมนน้ำนะคอยขันกันเดินไปอ้าน้ําเต้นลำเห็นไม่ฉันอยู่กิไม่ญี่ปุ่นเฮียสิงคโปร์นี่มีวะไปดูเหอโอ้เออเขาดีเหอกันอ้าวน้ำเต้นลำเกิดมาไปเห็นแค่ทีเลยน่าดูกล่าผู้ยมพวกเราเต้นลำด้วยนะน้ําเต้นลำเขาใส่สีด้วยสีต่างๆงั้นกับรูปผู้หญิงบ้างแล้วกรูปผู้ชายสัตบุตรใส่เสื้อ ใส่เสื้ออะไรใส่เสื้อสูรด้วยนะโูเน็กไถดูดีๆเขาเต้นลำไว้มากนาาเต็นลำตนในใน้นไงในวัดป่าสุกโตเขาเต้นลำเหมือนกันหลวงพอ่อกตีหลวงพ่ออยู่เวลามพลามาวันนี้หลวงพ่อก็นอนอยู่ไปให้ฝนผาดใส่สักหน่อยก็ดีเยนน็นฝนตกมันก็ไม่เทีมีลมด้ว ดูต้นไฟมันเต้นลั่มกันนะเออสนุกดีแล้วพอก็สนุกด้วยพอผลทุบรีบตรงผูกป่าผูกต้นไม้สิว่าวันนี้ก็พืต้ตอนนี้เนาะ